หมดสิ้นกรรมสิ้นลทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ปุ๊บเขาก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกใช่ไหมหรืออาจจะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เปรตก็ได้สุรกายสัตว์นรกก็ได้หรือเป็นมนุษย์อีกแปลว่าไปไม่สุดไปได้ครึ่งทางแล้ว เ, เดี๋ยวกลับมาเหนื่อยอีกแล้วต้องมาลำบากอีกนี่มันลำบากอย่างเงี้ยนะนี่ให้ทานหวังผลนันเนี่ยกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกทีนี้ นี่หมายความว่าการให้ทานแล้วหวังผลแล้วมาเกิดในชั้นจาติัวมหาราชิกาอภิการต่อมาคือว่าอีกประเภทหนึ่งเนี่ยให้ทานเนี่ยโดยไม่หวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันให้ทานโดยไม่ได้มุ่งหวังสั่งสมแต่ให้ทานโดยคิดว่าแต่ให้ทานบอกว่าทานเนี่ยเป็นการดีมันเป็นเรื่องดีมันเป็นความดีเราจริงต้องทํา ฉะนั้นเราให้ทานคือให้ข้าวให้น้ําให้ผ้าให้ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนและที่เครื่องประทิบแก่สมณพราหมณ์เนี่ยโดยคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นความดีมันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่เราควรทําคิดอย่างเงี้ยนะคิดว่าเป็นความดีอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้หวังผลตอบแทนเราแต่คิดว่าเป็นความดีแล้วต้องขนขวายแล้วต้องทําให้เต็มที่ก็แล้วกันเพราะเป็นความดีแล้วใครเคยคิดอย่างนี้ไหมั้นก็คิดในลักษณะอย่างเนี้ย นั้นการให้ทานในลักษณะอย่างนี้นะออพอได้คิดว่าทานนั้นเป็นการดีไปต้นนะเมื่อให้ทานอย่างนี้แล้วเวลาตายย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นเดาดึงนะถ้าใครอยากจะปรารถนาไปเกิดเดาดึงก็คือทําประโยชน์เช่นอย่างกลุ่มมาฆะมโนพเนี่ยโอ้ยเป็นเห็นเป็นความดีไปที่ไหนทําประโยชน์เงี้ย สร้างวิหารบา้งบูงบรณะอุโบสถทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นความดีอ่ะเป็นสิ่งที่ควรทำโอ้ยไปทํากันใหญ่นะแล้วก็ชวนกันเห็นที่ไหนเห็นสลาสกบบอกไช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูเห็นสถานที่ต่างๆหน่วยงานราชการสถานที่ตรงไหนที่มันไม่มีมันมันเสียหายที่ไหนก็ไปช่วยกัน ท, ท, ท, ท, ทําทําำทเนี่ยเพราะเป็นที่ความเห็นว่าเป็นความดีเนี่ยลักษณะเนี่ยไปเกิดชั้นดาวดึงถ้าเป็นสิ้นกรรมนะ เขาสิ้นกรรมสิ้นลทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขาจะกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเห็นไหมกลับมาอีกแล้วอาจจะมาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้เปรตก็ได้โสดาการก็ได้ก็คืออย่างนี้เขาเรียกว่ามีผลมากแต่อนนี้สงไม่มากอันนี้สงไม่มาก อ, นนากอประการต่อมาเนะ้กลุ่มนี้ไม่ได้ให้ทานแบบประเภทที่ว่าเป็นความดีอย่างนี้ไม่ได้คิดถึงนะกลุ่มนี้ให้ทานโดยคิดว่า บิดาปู่ตายายายเคยให้มาอันนี้ทำตามประเพณีนนเช่นพ่อแม่ปู่ตายายยายเคยทำมาอย่างการณียอมที่เขาทำเนี่ยพ่อแม่ก่อนจะตายแม่ก็สั่งไว้นี่ก็ทำก็ทาตามพ่อแม่ปู่ตายายยายนี่แหละลักษณะอย่างนี้นี่เาเรียกว่าเป็นทาไปตามประเพณีทำไปตามวงตระกูลเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วตระกูลของเราจะได้ไม่เสื่อม อย่างเช่นว่ากรณีอย่างการเช็งมิ ง, งนเน่ยพกนี้น <c oughs> ก็ไปทำตามเปรเยนีนะจะไหว้เจ้าเนี่ยเนยเนี่ยแบบนี้ตามปรยแต่ถ้ามุ่งนุ่งทานเหมือนกันให้ทานให้ข้าวให้น้ำไปต้นเมื่อเขาตายไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะเข้าถึงความเป็นสหายของสหายสหายก็คือของเทวดาชั้นยา ม, มา ดังนั้นจะมีชั้นจาตมหาราชิกาดาว ด, ดึงแล้วก็ยา ม, มาในชั้นที่3านั้นใครอยากไปเกิดในชั้นที่3ก็ให้ทานแบบนี้ให้ทานแบบนี้พ่อเป็นความดีเป็นสิ่งที่เออทำตามประเพณีทำตามประเพณีปู่ตายายายที่เคยทํามาก็รักษาประเพณีรักษาวงคุลก็ให้ทานรักษาศีลทําประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นในนี้จะไปเกิดในชั้นยามมาแต่ถ้าสิ้นกรรมสิ้นฤิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็จะกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต้องมาเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรดบ้างอสุรกายบ้างก็แปล ว, ว่ายังไปไม่สุดอีกเหมือนกันอาการที่4เขาไม่ได้ทําตามปู่ตายายยา ย, ยแต่คิดว่าออสัมมณะพราหมณ์หรือนักบวชทั้งหลายเนี่ยท่านทําเองไม่ได้ท่านหงกินเองไม่ได้ใช่ไหมถ้าปาร o อาหารก็คือว่าท่านหุงกินเองไม่ได้แต่เราหุงกินเองได้ถ้าไม่ให้มันไม่ควร เออสมณพรามณทั้งหลายท่านทําเองไม่ได้ในงานแบบนี้ถ้าเราไม่ไปทําให้ท่านเนี่ยก็ไม่ควรเช่นพระยังไปตัดต้นไม้ไม่ได้งั้นเราไปตัดให้ท่านท่านจะได้สะดวกสบายท่านก่อสร้างไม่ได้แต่เราจะไปก่อสร้างให้ท่านท่านทําอะไรต่างๆไม่ได้เราก็ทําให้ท่านเพราะท่านเป็นนักบวชท่านเป็นสมณะเชื้อสายศักยาบุตรแล้วเนี่ยเราจะควนขวายช่วยเหลือท่านอย่างนี้เป็นต้นเอออย่างเงี้ยการคิดในลักษณะอย่างเงี้ยใช่ไหมจะเกิดในชั้นที่4 ถ้าถ้าตายไปแล้วนะเขาจะเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิตในชั้นที่4เลยนะนนเนี่ยไปชั้นนั้นแต่คิอย่างนี้จะไปชั้นดุสิตก็คือโอ้เราขวนขวายช่วยเพราะท่านเนี่ยออไม่สามารถทําเองได้เราเราสามารถทําได้เรามีศักยภาพเรามีเงินมีทองทั้งหลายเราทำเนี่ยไปเกิดในชั้นดุสิตชั้นที่สี่นี่นะแต่พอไปสิ้นกรรมสิน้นฤทธิ์สิน้นยศหมดความเป็นใหญ่ ก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกอา้าวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกลับมาเกิดเป็นบางทีงก็สัตว์นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานเลยเนี่ยนะนี่ลงอีกแล้วเนี่ยอันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีผลมากแต่อันนี้สองไม่มากอันนี้สองไม่มากอา้าวต่อไปตัวเนี้ยทีเนี้ยประเภทต่ตอมาคือการไม่ได้ให้ทานโดยคิดว่าเราหุงกินเองได้แต่สมณะพามหุงกินเองไม่ได้ แต่ให้ทานโดยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีครั้งก่อนฤาษีครั้งก่อนเนี่ยคือจำแนกแจกทานในที่นี้หมายความว่าเขาให้แบบประเภทที่สล ะ, ะให้แบบสลัเลยคนที่จะออกบวชเนี่ยแปลว่าเขาต้องให้หมดไห ม, ใ ห, มให้หมดแล้วกลุ่มนักบวชทั้งหลายเหล่านี้เขาให้เพราะต้องการสลัจริงๆเพราะเขาไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้อีกแล้ว เหมือนฤาษีในการการกอดเหมือนกันเวลาจะให้ทานนีโอ้เข้าสลักนึกถึงแต่มุ่งอะไรเนี่ยมุ่งเกียรติมุ่งเกียรต <c oughs> ิกลุ่มเนี้ยกลุ่มบางคนให้ทานหวังเกียรติยศนะไม่ได้หวั ง, งเลยเนีไม่ได้หวังหรอ ก, งรอกเงินทองไม่มีประโยชน์กับเขาแล้วแต่เขาหวังยศหวังเกียรติหวังชื่อเสียงหวังได้รับการสรรเสริญย่ย อ, อ <c oughs> กลุ่มเนี้ยพอจะมองเห็นใช่ไหมเออในชีวิตประจําวันเราก็จะเห็นว่าโอ้เนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยพราะ พอสิ้นพอหลังจากตายแล้วก็จะเป็นสหายของเทวด า, ช, มม า, าด ช, ชั้นนิมมานราดีชั้นที่ห้าชั้นนิมมานรดีเพรานิมมานรดีเนี่ยเขจะมีเกยยเียรติยศสูงนะนิมมานราดีมีมมอเออเน่ย ไ, ไหมเนี่ยใครอยากได้ผลประเภทนี้พอไปอยู่ในชั้นนิมมานราดีเนี่ยอายุเขายืนมากนะเขามีอานิสงส์เยอะแต่ถ้าไปสิ้นกรรมกรรมมันหมดกำลังได้เหมือนกันนี สิ้นฤทธส้นยศหมดความเป็นใหญ่เขาจะกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเอา้ากลับมาอีกแล้วไปไม่ถึงไปไม่สุดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ้าง <c oughs> เป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างสุรก า, ายบ้างเป็นต้นอย่างนี้ก็เรื่อมีผลมากแต่อันนี้สองไม่มาก <c oughs> อภระการที่หกนี่ประการที่หให้ทานไม่ได้คิดว่าจะมุ่งเกียรติยศหรือมุ่งเหมือนฤาษีในปางก่อนล้ว แต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานแล้วจิตของเราจะเลื่อมใสให้ทานแล้วมันเกิดปีติสมนัตให้ทานแล้วมันสบายใจรู้สึกมันสุขใจจริงๆคือให้แล้วมันสบายใจจึงและจึ ง, จ ง, จงชอบให้ไปทําประโยชน์แล้วสบายใจจึงชอบทำํำไปปิดทองพราแล้วมันสบายใจจึงไปปิดทองพาเพราะมันรู้สึกสบายใจมันแก้ขยะได้ ทำไมมันสบายใจมันมีความสุขมันเอิบอิ่มเข้าไปทํากันเราไม่ได้ทํามันเหมือนโอ้ไม่สบายใจเลยเหมือนขาดได้สวดมนต์แล้วรู้สึกสบายใจอย่างเงี้ยนะอ้าวเป็นไหมคนประเภทนี้มีไม่มีเนี่ยลักษณะนี้ขลักสองมนาชานังเนี่ยพอให้ทานชนิดนี้แลว้วตายพุบไปจะไปเป็นสหายของเทวดาชั้นปารานิมมิสวาสสวัสดีชั้นที่หเลย<ม>ปารานิมมิสวาสสวัสดีเลยนะ โอโหอายุยืนมากที่พระพุทธเจ้ามาตรัสตั้งหลายองค์ยังไม่หมดอายุเลยเนี่ยฤิ์มากอนุภาคก็มากเนี่ยเขาเรียกว่าให้ทานชนิดนี้พอไปอยู่บนนู้นแล้วเนี่ยพอไปสิ้นกรรมกรรมหมดแล้วสิ้นลิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกมาสู่ความเป็นมนุษย์บ้างบางทีก็ลงนู้นเลยเอเวจีไปเลยอบายทุกขติวิธิบัตในโลกไปเลยแล้วก็เป็นมนุษย์บ้างลักษณะอย่างนี้เขาเรียกมีผลมาก อานิสง์ไม่มากนี่เข้าใจนะหเงื่อนไขเนอะนี่6เงื่อนไขเนะี่ยให้ทานประเภทที่1 ห, หวังผลตอบแทนจะไปเกิดในชั้นจ่าตุ้มอันนี้มีผลม า, มากแต่อานิสง์ไม่มากให้ทานป ร, ททงงประเภทที่สองให้ยังไงประเภทที่สองให้ยังไง เห็นว่าทานเป็นความดีมันเป็นสิ่งที่ควรทำใช่นี่ไปชั้นจาดตุ่มเออไปชั้นดาวดึงอ่าชั้นที่สเพราะว่าพ่อแม่ปู่ตายายทมาอันนี้ตามประเพณีใช่ไหมก็เลยไปเกิดในชั้นไปเกิดในชั้นยามาประการที่4ให้ทานเพราะแต่เราสามารถองกม่ได้แล้วกวดจิ ไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวนะท่านตั้งอาหารเป็นประการเป็ น, เ ป, นเป็นตัวตั้งเป็นประธานนะอย่างอื่น <Yeah. S 1> สมมติเห็ะนะโอ้ท่านอาจารย์สะทานเนี่ยท่านตัดต้นไม้ไม่ได้ท่ารักษาพระวินัยเอออยากแค่นั้นเลยเราควนขวายาทำเนี่ย ท, <ำ>ทำให้ดูทําให้มันสมควรรู้ตึอละกุฏิท่านแล้วเนี่ยไม่ดีเดี๋ยวก็บเบื้องหลุดเนี่ยนะทำได้หวังว่าเราจะทําเพื่อเพราะท่านทําไม่ได้แต่เราทําได้เนี่ยทำลักษณะอย่างนี้ไปเกิดในชั้นไหนชั้นเดือดเศษในชั้นที่4ี่ อย่างนี้มีผลมากแต่มีไอสองไม่มากถ้าสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเอาต่อไปชั้นที่5คิดยังไงเมื่อฤศีธรรมในการก่อนคือสลาโมนมุ่งเกียรติยศมุ่งชื่อเสียงให้ทานมุ่งเกียรติยศมุ่งชื่อเสียงใช่ไหมพอให้ไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยเกียรติยศชื่อเสียงลือกระชอน ใครก็โอ้โหเนี่ยให้ทานหมดเลยนู่นไปอยู่ป่านั่นเลยเหมือนเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเนี่ยคนนี้ให้ทานจริงๆเลยนะเนี่ยเขาไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนเลยนะมีอุแต่มีคนรู้จักเรามีคนรู้จักเราชื่อเสียงเราก็กระชอนลักษณะนี้ก็เรียกมุ่งเกียรตินะอย่างนี้มีผลมากแต่อันนี้สงไม่มากพอสิ้นกรรมสิ้นฤิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ก็กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกจะมาอภารกันที่ห้าอภารการที่6ให้เพรว่าเกิดจิต จิตสงนสัดเบิดปานใจแล้วก็อันนี้ไปเกิดในชั้นไหนปรณีมิตรสวัสดีที่ไม่งั้นถ้าเราต้องการอยากไปเกิดนิมานเรจาจะตัมหาราชิกาก็หวังผลว่าเราต้องได้แน่นอนนะถ้าเกิดในชั้นดาวดึงก็เห็นว่าทานหรือการทําประโยชน์ทั้งหลายเป็นความดีดนะประการที่สก็คือให้ทานโดยการที่รักษาวงตระกูลปูตาย่ายายที่ทํามา ประการที่4ก็คือว่านักบวชทำไม่ได้เราทำได้ถ้าไม่ทำไม่สมควรแก่เรา<ม>ก็ไปเกิดในชั้นดุสิหรือถ้าหากว่าทำโดยมุง่งเกียรติยศมุ่งชื่อเสียงก็ไปเกิดในชั้นนิมมานดโรดีถ้าหากทำแล้วเนี่ยมันสมานัดมันสบายใจทำแล้วมันชื่นใจสุขใจเนี่ยก็ไปเกิดในชั้นปรนิมมิสวัสวัตตีแต่ทั้งหมดเหล่านี้เห็นให้สังเกตูไหมว่าจะมีพวกตัณหามาณทิฏฐิเป็นตัวผูก เข้าไปยึดโยงอยู่ให้ทานในลักษณะอย่างนี้ไม่สลัดซึ่งข้อสุดท้ายพระพุทธเจ้าบอกว่าการให้ทานทีนี้ข้อสุดท้ายโดยคิดว่าไม่ได้คิดว่าเป็นการดีเป็นต้นนี่ะไม่ได้ให้ทานโดยหวังผลตอบแทนไม่ให้ทานโดยการไม่ได้ไม่ให้ทานโดยคิดว่าทานนี้เป็นการดีเป็นต้นเหล่านี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นและก็ไม่ให้ทานโดยคิดว่า ปู่ตายายายพ่อแม่ทํามาไม่ให้ทานโดยคิดว่าเราหุงกินเองได้นักบวชทั้งหลายหุงกินเองไม่ได้และก็ไม่ได้ทานไม่ได้ทำทานตามไม่ได้ทานทําทานโดยคิดว่าโดยมุ่งมุ่งเกียรติมุ่งเจียติยศแล้วก็ไม่ได้ทานให้ทานโดยคิดว่าจะเกิดสุขสมานะยังไงแต่ให้ทานโดยไม่หวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันให้ทานโดยไม่มุ่งสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าตายไปแล้วจะได้รับผล ให้ทานโดยไม่คิดว่าการให้ทานเป็นการดีให้ทานโดยไม่คิดว่าปู่ตายายายเคยทํามาเราก็จะยัไม่ทําให้เสียประเพณีไม่ได้คิดอย่างนั้นให้ทานโดยไม่คิดว่าเราหุงกินเองได้สมณพราหมณ์หุงกินเองไม่ได้จะไม่ให้ก็ไม่ขวดแก่เราเนี่ยโดยไม่หรือให้ทานโดยไม่คิดว่าเราจะเป็นผู้จําแนกแจกทานเหมือนฤาษีในกางก่อนหรือให้ทานโดยไม่ได้คิดเพื่อจะให้จิตเลื่อมใสสมณัราหปื้มใจไม่ได้เหยียบนั้นแต่ ขับเน้นการให้ทานเพื่อประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตนนเป็นการให้แบบสละข้างนอกและก็สละข้างในเลยคือต้องการอยากจะสละไอ้ความโลภออกจากตัวเองจริงๆสละความโกรธสละความหลงสละความเห็นแก่ตัวคือสละกิเลสแล้วก็มุ่งไปสู่สมถะมุ่งไปสู่วิปาาัสสนาญาณ มุ่งไปสู่ศีลสมาธิปัญญาต้องการฝึกขัดขัดเกลีเพราะการให้เนี่ยเป็นการปรับจิตเราให้อ่อนโยนอยู่แล้วใช่ไหมจิตของผู้ให้ก็อ่อนโยนจิตของผู้รับก็อ่อนโยนเมื่อได้สภาพจิตที่อ่อนโยนแล้วก็ฝึกต่อฝึกจิตต่อไปเรื่อยๆฝึกไปสู่ศีล ฝ, ฝึกไปสู่สมาถะฝึกไปสู่ปัญญาที่จะรู้จะเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงก็ต้องการสละกิเลสจริงๆเนี่ยให้ทานเพื่อจุดมุ่งหมายก็คือที่เรียกว่าปริจารคาวสักะเนี่ยคือการสละ สละกิเลสปักขันธะนาวสขะคือสละขันธ์จริงๆต้องการสละกิเลสออกก็ต้องการสละขันธ์เหมือน พ, ร, พระพุทธเจ้าพุทเจ้าสละกิเลสที่ต้นพระศรีมหาโพลแล้วก็สละขันธ์ที่กุศินารานั่นแหละเราจะท้าให้ทานแบบนี้แต่เราต้องการให้ทานเพื่อสละกิเลสพวกต้อการดับกิเลสถึงนิพพานตรงนี้จริงๆคือกิเลสนิพพานคือให้ทานเพื่อให้กิเลสนิพพานนี่แหละเราหวังผลตรงนี้ เราเราต้องการอย่างนี้แล้วก็ให้ทานเพื่อจะได้ขันธ์พระปรินิพานคือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกการให้ทานลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่ามีผลมากและมีอนิสงส์มากเห็นไหมประวองเห็นได้ย่างเนี่ยทั้งการให้ทานขอให้เป็นปัจจัยต่อการที่จะสิ้นกิเลสและกองทุกข์ถ้าให้ทานอย่างนี้แล้วก็ฝึกตัวเองด้วยนะถ้าลักษณะอย่างนี้ออย่างนั้นมันตามมาเองไอ้จากตุลมหาราชิกาเนี่เป็นของง่ายแล้ว ดาวดึงเออยามาดุสิตนิมานาลาดีปรานิมิสวสวัสดีอันนี้เป็นแค่ที่พักกลางทางแต่ไม่ใช่จุดหมายของเราจุดหมายของเราคือการสิ้นกิเลสและกองทุกข์ใช่ไหมหรือไปเกิดในพรหมโลกก็ได้กลุ่มเหล่านี้บางท่านเนี่ยให้ทานไปเพื่อจะทําสมถาวิปัสนาให้เกิดขึ้นพอสมถะเกิดขึ้นท่านเดินวิปัสสนาญาณแล้วก็กำจัดกิเลสได้ท่านอาจยังไม่พ้นทุกข์นะท่านไปเกิดในพรหมโลก และต่อไปท่านก็ฝึกต่อและท่านจะไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีท่านจะไม่กลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อีกจะไม่กลับมาสู่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเอ释กกายเป็นต้นอีกจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรอีกฉะนั้นถ้าทานในลักษณะอย่างเนี้เขาเรียกมีผลมากและมีอานิสงฆ์มากก็ปรารถนาพระพุทธเจ้าปรารถนาให้พวกเราในให้ทานแบบนี้ให้ทานแบบประเภทมีผลมากและมีอนิสงฆ์วะเฮ้ยใจอย่างเดี๋ยวนี้เฮ้ยแต่อย่างนี้เรชัดเลยใช่ไหม การทานมีผลมากมีนิสงมากติดใจมีทานได้ทำไมเลยเออคือทำทานนะแต่ไม่มีสีนะใช่คือคือการให้ทานเนี่ยการให้ทานที่เขาจะมีหลักอยู่ว่าการให้ทานเนี่ยอย่างเช่นให้ทานโดยหวังผลไปเกิดในจาตุมการทานให้ทานแล้วว่าทานเป็นการดีไปเกิดในดาวดึงนี่นะ เป็นไปตามลาดับจนตามประเพณีปู่ตาย า, ยายายให้ทานเหมือนไอ้เพราะท่านทําเองไม่ได้แต่เราทําเองได้เป็นต้นไล่ไปตามลำดับเนี่ยให้ทานที่จะไปเกิดในสวรรค์เกิดแต่ละชั้นแต่ละชั้นทั้งหลายมีเงื่อนไขว่าทานกุศลต้อ ง, ต, องต้องมีการให้สองศีลต้องดีใช่ไหมเพราะการให้ทานแล้วมีเงื่อนไขว่าถ้าทานของคนทูศีลแล้วเนี่ยจะมีผล มีผลมากไหมมากแต่อันนี้สงไม่มากนะอันนี้สองไม่มา ก, นะนนมมากแล้วก็การให้ทานในลักษณะของของคนทุศีลเนี่ยผลน้อยกว่านั้นอีกนะผลมันจะน้อยลงมาถ้าถ้าอุปมา ก, ก็เหมือนเอาฝุ่นเนี่ยนะย้อนฝุ่นทวนลมนะมันหายไปหมดย้อนปุ๊บมันเหมือนหายไปหมดอย่างนั้นแหละเหตุผลก็เพราะว่า ท่านมีเงื่อนไขว่าการให้ทานเนี่ยที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นโรมทั้งหลายเป็นต้นอะไรเนี่ยก็จะต้องมีตัวกุศลศีลเป็นตัวกำกับทานนั้นจึิงๆมีผลมากมีอานิสงส์มากถ้าทานของคนทุศีลมีผลน้อยอานิสงส์น้อยเนี่ยท่านขับเน้นอย่างนั้นเหตุผลก็ว่ายกตัวอย่างเช่นว่าเราไปเกิดเป็นสตัตว์เดรัจฉานเนี่ยแต่ถูกเลี้ยงอย่างดีดูสิเนี่ยเราจะสวยผลได้ต่ำมากต่ำก็คือว่าเอา้า เราสร้างวิมานให้เราอยู่อย่างหมีแพนด้าสร้างย่างใหญ่โตเลยแล้วสวยผลนนิดโอ้โหอาหารเยอะแยะหมดกินอย่างอื่นไม่ได้ไไดกินได้แค่ใบไผ่เนี่ยเนี่ยเพ่กเกต ด, ดูทีอาหารอย่างอื่นกินไม่ได้เพราะมันสวยผลได้ต่ามากแล้วที่อยู่จะอากาศร้อนหน่อยอยู่ไม่ได้ต้องอยู่แก่หิมะเท่านั้นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอะไรเยอะหมดเนี่ยอนนัมันไม่สามารถจะสวยวิบากได้เต็มที่ วิบากที่จะได้เห็นได้เต็มที่ได้ยินได้เต็มที่ได้กลิ่นได้เต็มที่ริ้มรถได้เต็มที่สัมผัสเย็นร้อนทั้งหลายให้เต็มที่ได้เสวยผลสุขสมณะทั้งหลายให้เต็มที่เนี่ยได้ทํากิจกรรมต่างๆให้เต็มที่มันไม่ได้เลยมันจะถูกจํากัดวงอยู่แค่นั้นะแต่ผลก็หลั่งไหลมามันเข้าไม่ได้มันไม่รู้จะให้ทางไหนแต่ให้ได้เต็มที่ได้แค่นี้ยใช่ไหมให้อยู่จํากัดได้ที่ตรงเนี้ออกจากที่ที่ไม่มีหิมะไม่ได้ตายเลยเดี๋ยวตายเลยเงี้ยไปที่ไหนก็จํากัดจํำเขี่ยเงี้ยเป็นต้น ถ้าไปเกิดเป็นช้างก็มีจํากัดในเรื่องอาหารเห็นไหมผลมันไม่ไปเกิดเป็นสุนัขเนี่ยเขาเลี้ยงอย่างดีจริงๆไปเกิดเป็นแมวเนี้ยมีข้อจํากัดหมดเลยเนี่ยโทษของความว่าทานให้ทานแต่ว่าศีลไม่ดีนี่เป็นอย่างงี้เนี่ยทานกระพู้ทุศีลมันจึงมีอ น, นิสงส์อนิผลน้อยไ อ, นน อ, ยอนนสูงน้อยนั้นการให้ทานอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องขับเน้นเรื่องกุศลศีลให้ดีด้วยแล้กุศลศีลอย่างเดียวก็ไม่พอก็ฝึกจิตฝึกปัญญาไปเรื่อยๆเป้าหมายจริงๆก็เนี่ย ต้องเป็นจิตตะลังกาละทานนะพอเข้าใจยังยังใครถามอะไรัหมนิพพานก็คือการสละกิเลสแล้วนักเข้าก็ต้องสละชีวิตแล้วไม่เกิดมาอีกไม่กลับมาแบกชีวิตอีกเพราะเห็นความลำบาก เห็นความลําบากในการทํามาหากินยังไม่มาหวานโผลต้องวิ่งลําบากแต่มาหวานยังไม่เบื่อยังยังสนุกแต่จริงๆก็เป็นกุศลนะทำมาหากินแต่ว่าต้องทําแบบไม่เครียดถ้าทําเครียดไม่เป็นกุศลต้องทําลักษณะว่าเออเ น, นี่ยเรามีศักยภาพเราได้ทําเนี่ยจริงๆได้ให้ทานใช่ไหย ม, มีลูกน้องมีหมอ เราได้ได้สร้างกิจกรรมทั้งหลายให้เขาได้กินได้ใช้เขามีเงินไปแล้วเขาไปดูแลบุตรหลานญาติมิตรปู่ตาย า, ยายยายพ่อแม่พี่น้องเขาโอ้เป็นทางถ้ามองอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขถ้ามอ ง, องนี้เออเนี่ยเห็นว่าคนชีวิตไม่ใช่น้อยเลยจากจากความรู้ความสามารถของเราที่เราทำนี่ที่เขาจะต้องไปกินไปใช้ไปอยู่แล้วก็จะต้องมาดูแลกันอีกหลายชีวิตมากไม่ใช่คนเดียวจากที่เราได้ เปิดโอกาสทําให้ค่ได้มีแหล่งในแหล่งในการทำมาให้กินร ล, ลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกุศลถ้ามองมองอย่างนี้เราจะเห็นแต่ในขณะเดียวกันก็เราก็ต้อง พ, พัฒนาตัวเราเองด้วยพัฒนาปึกตัวเองว่าเอาละเมื่อได้เปิดโอกาสให้คนได้ตรงนี้ด้วยเราก็หนึ่งทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางอาชีพของเราก็เป็นไปสจริตแล้วนทางด้านจิตใจสำคัญไหม พรปัญหาของมนุษย์เนี่ยบางทีพฤติกรรมดีแล้วออกมาทางกายทางวาจาดีแล้วอาชีพก็ดีงามแล้วไม่พอสภาพจิตใจมันมีทั้งคุณภาพมีทั้งสมรรถภาพมีทั้งด้านความสุขที่เราจะต้องเพิ่มถ้าคุณภาพก็คือทางด้านของเมตตากรุณาต้องให้มีใจหรือมุทิตาในด้านจิตใจด้านความรู้สึกนั้นด้านความรู้สึกเนี่ยจะต้องฝึกเมตตาให้เกิดขึ้นฝึกฝึกกรุณาให้เกิดขึ้นฝึกมุทิตาให้เกิดขึ้น ฝึอความอบอ้อมอารีให้เกิดขึ้นทําบุคคลที่มีจิตใจกระตันยูรู้คุณกระตะเวทีตอบแทนคุณให้เกิดขึ้นมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปให้เกิดขึ้นไอ้นี่ด้านจิตใจใช่ไหมด้านคุณภาพต้องใส่คุณธรรมตรงนี้เข้าไปถ้างั้นเดี๋ยวจิตแข็งกระด้างเดี๋ยวจิตเกิดความเออไม่ดีเยอะยิงนะเยอะยิงจิตหงุดหงิดทั้งหลายนี่เป็นตัวนี่ด้านคุณภาพด้านสมรรถภาพก็คือความเข้มแข็ง อันนี้เตรียมการไว้เวลาเจอปัญหาอุปสรรคทั้งหลายจิตต้องแข็งแรงก็คือด้านสมาธิต้องตั้งมันขันติความอดทนต้องสูงความ ก, ากล้าความอาจฐานก้าวไปใจสู้นี่ยนะด้านเนี้ยดันดันดั น, ดนวีระความกล้าในการในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเป็นต้นความอดทนความตั้งมัน่นความเป็นผู้มีสติไม่หลงลืมไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหลงไอ้ตรงเนี้ย ด้านตรงนี้ก็เรียกสมรรถภาพอันนี้ต้องเพิ่มต้องทำให้ตั้งมัน่นต้องทำให้เกิดความไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวประการต่อมาคือด้านสุขภาพหรือสุขภาวะของจิตหรือสุขภาพจิตตอนนี้ต้องได้ปลาโมดปราโมดง่ายมีความเบิกบานตลอดเนะ่ล่าเริงเบิกบานหายใจเข้านะหายใจออกก็จิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโปร่งเบาหายใจออกก็ได้ตลอดได้ความเบิกบานได้ความอิ่มใจ ได้ความสุขสดชื่นใจปัสสติได้ความสงบได้ความผ่อนคลายได้สภาวะจิตที่ใสสะอาดได้จริงเออเนี่ยถ้าลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่แค่ด้านพฤติกรรมแนละ้ด้านจิตใจก็ต้องฝึกฝึกทั้งให้ได้คุณภาพได้ทั้งสมรรถภาพได้ทั้งความสุขในะสุขง่ายเป็นคนสุขง่ายเป็นคนที่ทุกยากสามารถที่จะปรงแต่งสุขได้ตลอดแลนึกถึงสิ่งที่ดีๆทั้งหลายที่เราได้ทํานี่ยไหมไม่ว่าจะประโยชน์ทั้งหลายสีลทั้งหลายหรือ ล, ลึกถึงทานที่เราเคยให้ ระลึกระลึกระลึกค่ะมันต้องให้ได้ความสุขสิไม่ใช่นึกแล้วเครียดนึกแล้วเครียดอันนี้แปลว่าเราเราเนี่ยยังปรุงแต่งจิตไม่เป็นปรุงแต่งได้แต่ทุกขปรุงแต่งสุขไม่เป็นนั้นระบบสมาธิทั้งหลายเนี่ยเป็นระบบของการปรุงแต่งทั้งนั้นเลยนั้นต้องปรุงให้มีความสุขถ้าสุขไม่เกิดแล้วสมาธิไม่ทั้มันสุขสมมานาตเป็นที่เป็นเขาเรียกเป็นเหตุใกล้ของสมาธินี่ก็ต้องปรุงแต่งสุขที่เป็นไปบความดีทั้งหลายเกิดขึ้นนี่พออย่างด้านจิตใจยังไม่พอ ประการที่3คือด้านปัญญาใช่หมเมื่อมีฐานของความตั้งมั่นแห่งจิตแล้วเนี่ยปฏิบัติการทั้งหลายเนี่ยปัญญาจะได้มาทำกิจในการปฏิบัติการได้มาวิจัยมาแยกแยะเหตุผลเอาแล้วทีนี้เวลาสอบสวนวิจัยแยกแยะเนี่ยต้องตั้งอยู่บนฐานของจิตที่มีสมาธิถ้าจิตที่ไม่มีสมาธิไม่สามารถจะเดินปัญญาได้นี่เป็นต้นสรุปก็คือว่าเห็นไหมว่าเราทำประโยชน์ อย่างอื่นทั้งหลายเหล่านี้ทั้งด้านพฤติกรรมทั้งด้านจิตใจเออทั้งด้านอาชีพทั้งหลายเนี่ยพฤติกรรมทางกายทางวาจาอาชีพบริสุทธิ์นี่ก็เรียกว่าโอเคและแต่ด้านจิตใจต้องพัฒนาต่อโดยเฉพาะที่สูงสุดก็คือด้านปัญญาที่ปัญญาสําคัญมากเพราะปัญญาต้องมานําพฤติกรรมอีกทีปัญญาต้องมานําจิตใจอีกดีนี้ ไ, ไปต้นถ้าพฤติกรรมที่แสดงออกไปทางกายทางวาจาถ้าไม่มีปัญญานาําเดี๋ยวหลงทางเลยเดี๋ยวทำไม่ถูกอีกให้ทานก็ไม่ถูกรักษาศีลเจริรญศีลก็ไม่ถูกหรือแต่ ใช้ชีวิตก็ไม่ถูกเลี้ยงชีวิตก็ไม่ถูกเลี้ยงชีพก็ผิดงี้นต้องมีปัญญาเป็นตัวนําร่องจิตเนี่ยถ้ามีปัญญาเป็นตัวนําร่องมันไปทั่วทังวันเลยนะเอ๊ะทำผิดทําถูกยังไงไม่รู้แต่ถ้ามีปัญญามาแล้วเหมือนเดินทางเหมือนโมบูขับรถมาใช่ไหมเด็กแอขับรถมาถ้ามีปัญญารู้เดี๋ยวไปทั่วเลยทเดียวิ่งไปไหนก็นไม่รู้ที่ปัญญาข้อความรู้ความเข้าใจเป็นตัวนำมันก็นําพาชีวิตมาถึงจุดหมายได้นี่ก็เหมือนกันกระแสชีวิตของพวกเราเนี่ยตอนนี้เรากําลังเดินทางกันอย เดินทางอยู่ helpful, ทุกวันทุกวินาทีอยู่กระแส er, ชีวิตมันเดินทางแต่จุดหมายต้องให้ชัดหนึ่งเราจะต้องทํากิเลสให้นิพพานให้ได้สองต้องทําขันให้นิพพานให้ได้เราจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดขนาดตั้งอย่างนี้ยังยังยังต้องใช้เวลานานเลยอย่าไปคิดว่าตั้งอย่างนี้แล้วจะเร็วนะขนาดตั้งอย่างนี้ยังนานเลยแต่เวลาเราตั้งให้ถูกไว้นอกนั้นเวลาเราไปเจอสถานที่ต่างๆเหมือนเราตั้งจุดหมายว่าไปไ ป, ไปเชียงเชียงใหม่ใช่ไหมเราตั้งจุดหมายไว้ที่เชียงใหม่ นี่เราก็เดินทางออกจากกรุงเทพนะครับไปติดอยู่ลังสิตเพลิน <P ern> <P ern> อย่างไรแล้วไม่ไปต่อสักทีต้องระวังใช่ไหมต้องไปเรื่อยๆไปไปจากลังสิตเข้าอยุธยาเข้าสระ บ, บุรีไงต้องต่อไปเรื่อยๆ <P ern> เออจะ <P ern> จะเพลินก็อย่าเพลินนานใช่ไหมเพราะเราต้องเตือนใจตัวเองว่าจุดหมายเราคือกิเลสนิพพานขันนิพพานจุดหมายของเราไม่ใช่มาเพลินอยู่ตรงนี้ฉั้นเดินอย่างเงี้ยก็เดินอย่างมีจุดหมาย ที่เราคุยกันเรื่องจักรยานกับในหนังสือเนี่ยไม่ตรงอ๋อการให้ทานหวังผลใช่ไหมอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวเราไปซื้อบัตร <c oughs> เขาจะเขาจะมีหางบัตรให้ <c oughs> ทําบุญเนี่ยนะใครทำบุญร้อยหนึง่งเขแจกหางบัตรให้ทําบุญร้อยหนึ่งก็แจกหางบัตรให้แล้วเอาหางบัตรนี่ยเขาไปจับฉลากเดี๋ยวก็เอาไปจับจักรยานก็มีจักรยานอยู่สาสกว่าคันนี่ลักทางนี้ให้ทานเนี่ยถามว่าถ้าเราให้ทานหวังผลอย่างเงี้ยมันจะอยู่ข้อแรก ให้ทานแล้ววุให้ไปให้ซื้อบัตรดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้จักรยานเปิดทีเราได้เงี้ยนะเฟฟุกเฟฟุกหรือว่าบัตรการกุศลทั้งหลายรเนี้ยเวลาเราไปชื่อฉลากการกุศลทั้งหลายเนียตรงรางวัลที่หนึ่งได้ร้านหนึ่งอกนเนยซื้อเลยว่าเนี่ยซื้อแล้วเงินส่วนนี้เขาไปช่วยประเทศชาติช่วยอะไรต่างๆซื้อใหญ่อย่างเงี้ยวางผลอย่างเงี้ยไปอยู่ข้อแรกถ้าสิ้นกรรมสินฤทธิ์ินยอพอตายไปแล้วจะอยู่เป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมอย่างเงี้ยมันอันเดียวกัน ลอตเตอรี่เราคิดว่ารัฐบาลจะได้เอาไปใช้อ๋อไปทำประโยชน์อันเดียวกันอันเดียวกันนี่แหละอันเดียวกันเป็นทานหวังผล เด็นก็คือว่าโบราณก็ถือความละเอียดอ่อนบางทีเราเตือนมาในในวัดทรายติดรองเท้าไปเขาก็ถือว่าเป็นนี่<ม>เขาก็เลยชดใช้สมัยโบราณวิธีชดใช้เขาก็ไ ป, ไปเอาขนทรายมาเข้าวัดนั่นแหละคือใช้นี่สงเดี๋ยวนี้ไปไปมาเขาบอกเอาเงินมาใช้นี่สงส ก, ก็ว่<笑><笑>กากันไปก็พิจารณาแต่จริงๆก็คือคือประเด็นก็คือว่าสรุปก็คือว่า เรามาใช้สอยที่วัดแล้วที่กองสงแล้วเราก็เป็นการตอบแทนสงหน่อยหลักการก็มีแค่นั้นจริงๆการใช้นี้ก็ใช้แรงก็ได้ก็ใช้แรงก็ได้เอาแรงมาทำก็ได้อันนี้เป็นวิธีการของเขา เวลาเราโยธทรมไมอาศัยมันก็คิดว่าปัจจัยนี้เพื่อทำให้พูเ่ศาสนาเลยอ๋อก็มองได้ก็มองลักหน่อยว่าเอาเขาจะไปสร้างไม่ผิดแตเขาสร้างว่าอย่างเมื่อเขาไปสร้างวิหารใช่ไหมมันเหมือนการให้ทานที่ว่ากูตัทันตาพราม์ไปถามพระเจ้าก็กูตัทันตาพราม์เนี่ยสรุปก็คือท่านท่านบูชายันแต่ก่อนน ท่านก็จัดยันยันนับพิธีโดยการเอาแพะ700แกะ700ม้า700อย่างละ700ดร้อยเมามัดมัดมัดมัดให้คนมัดผูกไว้ปากหลักปุ๊บปุเป็นกิโลกิโลเลยที่จะฆ่าเขาถือว่าทําอย่างนี้เสร็จแล้วเป็นการทําบุญให้กับประเทศเป็นไปดีบูชายันก็ลงมหายันยันใหญ่ของเขาเนี่ยการบูชายันอย่างนี้จะทําให้ประเทศชาตินั้นน่ยพ้นจากบาปประเคราะ์ไอ้บาปทั้งหลายเหล่านี้ก็ให้พวกแพะพวกแกะพวกไก่พวกม้าพวกนี้รับเคราะไปเพราะงั้นเดินเป็นวิธีทํำจนทุกวันนี้แหละ เหมือนเหมือนเหมือนเนปานเนปานก็ยังทําอยู่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเออพระเจ้าก็เลยเสด็จไปห้ามเรื่องเนี้เสด็จไปพระเจ้าก็เสด็จไปห้ามพระเจ้าก็บอกว่ายันในในพระาศาสนาก็มีการบูชายันกันเหมือนกันแต่การบูชายันในพระาศาสนานเนี่ยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อว่างเงอะไม่ต้องมีน้ําตานองหน้าไม่ต้องมีการเข็นฆ่าเออพราหมณ์ก็สนใจอย่างมีหรือย มีเอาวิธีการทำยังไงก็คือวิธีการก็คือการให้ทานเช่นนิมนต์ผ้ามา5 001 0 0หพันหรือหม0 0นนึ่งเลยแล้วก็จัดกิจกรรมนิมนต์ทุกวันเลยเงี้ยทำกิจกรรมให้ทานโอ้โหต้องระดมคนอย่างมากมายต่างๆเนาะพอพามฟังแล้วอย่าง้อย่างงีไ้ไม่มีการค่าเลยฟังแล้วเถอเป็นประโยชน์ด้วยพามฟังแล้วโอ้โหลงทุนเยอะ ลงทุนมากเหลือเกินเนี่ยยันอย่างนี้ว่าไงเอาแบบที่ลงทุนน้อยแต่มันได้บุญมากกว่า น, นี้มีไหมโแตรฐานตาเปล่ า, าก็ถามว่ามีเอาทำไงวิธีการก็เสร้างวิหาร เ, เออสร้างวิหารธานวิหารรทานแต่ไหวแต่สงฆ์เนี่ยมีผลมากกว่าทานแบบนั้นนะที่อยู่อาศัยวิหารก็ดีโบสถ์ทั้งหลายเลยเนี่ยคือลงทุนครั้งเดียวเลยอยู่ไปได้ 30- 40ปีเลยเข้ามาใช้สอยเมื่อไหร่บุญเกิดเมื่อ น, นั้น สงใช้สอยเมื่อไหรบุญเกิดมเมื่อไรเมื่อนั้นไม่ต้องไปให้ทุกวันก็ด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมบอกว่ามีผลมากกว่าทานระดับนั้นด้วยพามก็ไปคํานวณดูเอ๊ะมันยังต้องใช้เงินเยอะอยู่บอกว่าเอาแล้วให้ลงทุนต่ํากว่านี้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องเร่งซั์เลยแต่มีผลมากกว่านี้มีไหมวิทยาก็มีอ่คืออะไรก็ถึงสระนคมไม่ต้องเสียเงินเลยใช่ไหมพุทธังสระนังก็ฉามีทำํำบังเนี้ยมีอ น, นี่สองมากกว่าด้วยนะใช่ไหม ก็คือให้มั่นคงในสารณะเลยแต่ต้องมั่นคงต้องตั้งหลักจริงๆนะพุทธะเนี่ยกําจัดภัยให้สัตว์ทั้งหลายได้ยังไงธรรมะสังฆะกําจัดภัยให้เราสัตว์ได้ทั้งหลายได้ยังไงพุทธะกาจัดภัยก็คือ จากสัตว์ที่ไม่มีศรัท ธ, ธาทำให้สัตว์พุทธเจ้าเนี่ยทำให้พวกเรามีศรัท ธ, ธาออกจากความไม่มีศรัท ธ, ธามาเข้าสู่ความเป็นผู้มีศรัท ธ, ธาออกจากความเกียดค้านเข้าสู่ความเพียรออกจากการหลงลืมสติเข้ามามีสติเพื่อตั้งมัน่นออกจากฟุ้งซ่านมักสู่ความมีสมาธิออกจากความไม่รู้มาสู่ความเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยลักษณะเนี้ย ถ้าถึงสารณะแล้วก็จะทำให้เราได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาออกจากความไม่รู้ไม่เข้าใจนี่คือพระเจ้าฉุดเราให้เข้าถึงสารณะที่ถูกต้องอย่างนี้เห็นไหมว่าไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยว่างั้นเถอะแต่มีผลมากกว่าด้วยทำให้ตนเองนะ่ปลอดรอดพ้นจากทุกภัยเป็นต้นเหล่านี้ด้วยเนียแล้วสูงกว่านี้มีไหมมีอะไรศีลอะไรไปตามลำดับอะสูงกว่าศีลมีไหมมีอะไรสมาธิอะสูงกว่าสมาธิมีไหมมีปัญญา อสงฆ์ปัญญาคือการเข้าถึงพาณิพานธโอ้โหเนี่ยอันนี้สงฆ์ก็ไล่ไปตามลําดับนี้เป็พอจะเข้าใจไหมเออเป็นลักษณะนี้เห็นไหมว่าเห็นไหมว่าอย่างนี้เขาเรียกยันหมดเลยนะการบูชายันในอริยะวินัยเนี่ยในแบบอย่างของอริยชนเป็นแบบนี้ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อแล้วก็มีการาเพิ่มกุศลอย่งยิ่งขึ้นไปยอย่างนี้ นั่นอย่างที่เขาทํากันนี้ก็เห็นไหมแทนที่เขาจะไปฆ่าสัตว์บูชายันญก็มาทําสิ่งเหล่านี้อย่างนี้แทนที่เขาจะไปให้ทานทุกวันเขาก็มาบูรณวิหารเลยเป็นวิหารลทานก็เป็นระดับ2องใช่ไหมเป็นการบูชายันต์ระดับ2ระดับสร้างวิหารทานมีผลมากไหมมีผลมากแต่ยังไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ไม่ได้ถ้าหยุดอยู่เพียงแค่นี้เอาไม่พัฒนาต่อมนุษย์ก็พ้นทุกข์ไม่ได้อีกนั่นต้องพัฒนาไปสู่สารณคม พัฒ น, น, นาสู่ศีลพัฒนาสู่สมาธิทุกระดับพัฒนาสู่ปัญญาทุกระดับและก็เพื่อกําจัดกิเลสและกองทุกเนี่ยมนุษย์เราต้องจุดหมายปลายทางก็เรคือสิ้นกิเลสและกองทุกเอ้ยก็เป็นวิหารทานอย่างที่กล่าวอันเดียวกันเอออันเดียวกันเลยอสอเดียวเป็นกลุ่มวิหารทานเดสงยวถวายเดสงยว ส่งใช้สอยใครมาใช้สอยแต่ละครั้งบุญก็เกิดขึ้นกับผู้ทำใช่ในี่้วว่าซ่อมพบเห็นไ้ยบุญนี้มันอยู่ได้นานตามที่กำลังที่ซ่อมเนี่ยยี่ปีก็ว่าไปเขามาใช้สอยมาเลยนบุญก็กือตลอดเนี่ยมันเ้าเรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแล้วที่อธิสงนานถ้าอาหารในวันต่อวันวันต่อวันใช่ไห แค่นีลงทุนครั้งเดียวใช้ได้นานเหมือนเงี้ยกุฏิเนี่ยวิหารจะทานเนี่ยอย่างงี้ลงทุนไปครั้งเดียวโอ้ได้นานเลยไป mm hmm. พาใช้เจริญกุศลโอ้กุศลก็ตกแก่ผู้ทานี่ตลอดอย่างนี้เป็นตน mm ้นเห็นบอกเราก็ตอนนี้เราก็ได้มารวมๆกับเขาก็โอ mm hmm. ไ้ได้ได้ได้นี่เราทาไปหลายรอบ mm hmm. ได้ได แต่ที่นี่เขาให้ทานกันเขาไม่มีชื่อกันเลยไนดะ้ดีเัง <c oughs> <laughs> เขามาทำท้า่สมควรเกี่ยว เ, เวลากันมีใครจะถามอะไรไหมไม่มีเนาะ